ตอนอบรมนโรงเรียนกรพิทักษ์ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม2560ตอนที่ห้าก็ขอต่อต่อยอดเมื่อสักครู่นะเมื่อกี้นี่เป็นกิจกรรมที่ศูนยนะ์ก็เป็นเรื่องถ้าเราไปคิดเป็นเหตุผลมันแปลกอีกนั่นลนะเนาะเนาะพรรษาที่ผ่านมา มีคลื่นอารมณ์ว่าเออฐานเด็กๆบวชให้ในหลวงไม่ลูกตอนนั้นพระองค์ยังประทับอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชนะเราก็บวชรวมพลังกันนะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะเริ่มเริ่มจากบวชภาคฤ ด, ดูร้อนก่อนเดือนหนึ่งพอจะเปิดเทอมเราบอกว่าเออพาไปทัศนศึกษาที่เขาค้ อ, อไปที่วัด ผาซ่อนแก้วจะให้จานปรมีท่านทำพิธีศึกทั้งเนนทั้งชีน้อยพึงไปถึงที่น่นไม่ยอมศึกสักคนหนึ่งนะพอกลับมานาวา่าแกก็จะถามนะทำยังไงจะบอกผู้ปกครองเขาอย่างไรนะก็ตอนนั้นก็บวชต่อโดยทำเป็นโครงการว่าบวชเข้าพรรษาถวายในหลวงราชการที่เก้าของเรา พอยังไม่ออกพรรษาถึงวันที่สิบสามตุลานะพระ อ, องค์สวรรคตเด็กๆ ก, ก็ไม่สึกอีกนะทีนี้เด็กชุดนี้เนี่ยบุญเยอะมากเลยเป็นพรรษาสุดท้ายที่เรามีโอกาสบวชให้ในหลวงนะแล้วตอนนี้ก็กวดยาว แล้วพระครูก็เห็นแล้วว่าหลังจากเขาบวชแล้วเนี่ยสำนึกเขาเกิดขึ้นโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงมัธยมเขาไปตอนที่เขาโตแล้วเนี่ยแรกๆก็เหมือนจับปูใส่กระดง้งโดยเฉพาะเด็กมาจากภาคกลางจากกรุงเทพจากชนบุรีอะไรเนี่ยนะแน่นอนสมมากค่อนข้างจะมีปัญหาแล้วเนี่ย ถ้าเป็นเด็กดีๆว่านอนสอนง่ายแล้ ว, ลวน่ารักอย่างนี้นะคุณพ่อคุณแม่เขาคงไม่ไม่เอาไปฝากเรา <c oughs> เด็กเรียนโรงเรียนนานาชาติที่กรุงเทพก็มีก็ไปอยู่ที่นู่นมีบางคนเนี่ยเรียนมสามในมือถือเขาเขาเรียกว่าอะไรในแฟดได้แล้วพ่อครูเขาพูดไม่เป็นภาษาเทคโนโลยีตอนนี้ เออตัวเองผลิตคอมพิวเตอร์ขายเทเลอกตอนนี้ใช้ไม่เป็นกดโทรศัพท์ไม่เป็นนะในมือถือเขาเนั่นมีภาพโป๊ะนะหมื่นกว่าภาพ <c oughs> แต่บังเอินที่โน่นปุ๊บนี่คุณครูเขาก็เก็บมือถือไว้ก่อนไม่ให้ใช้เนะี่ยเขาลงแดงเขาจะตายจริงๆเพราะครูคถึงเห็นว่า คนเราติดโซเชียลมีเดียแล้วมันลงแดงเนี่ยยิ่งกว่าคนติดเล่าลงแดงเลยบางเอิญมีช่วงหนึ่งที่เขาเขาบวชแล้วเนี่ยเขามีศรัทธาในตัวพระครูมากครูเขาวิ่งมาบอกว่าเขาเขาล้องห้าใหญ่เลยช่วยหนูหน่อยช่วยหนูหน่อยหนูไม่อยากเป็นแบบนี้ พรากูก็ถามว่ามีอะไรลูกเขาก็เล่าให้ฟังหมดเขาก็เปิดน้ะปะกูดูว่าสู้ไม่ลูกก็บอกหนูไม่อยากเป็นแบบนี้บอกลบมันออกลบมันออกเขาก็ไปเอาอะไรที่เขาอัดไว้ลบออกหมดเลยนะถึงปัจจุบันแล้วเนี่ยเด็กๆมัธยมเนี่ยอาทิตย์หนึ่งใช้มือถือสิบนาทีเพื่อให้โทรคุยกับทางบ้าน อันนี้สงของการบวชเพราะครูเห็นแล้วว่าตอนที่เราเราอยู่มีเรามีหอพักอยู่ประจาไม่ได้บวชนะพอปิดเทิงกลับไปปุ๊บมาปุ๊บก็มาล้างกันใหม่นี่นะแล้วก็เข้าหาว่าคุณไม่ชีที่เป็นครูพี่เลี้ยงน่ะนะเขาก็คิดว่าเขาถูกบังคับแต่พอเขาบวชป๊บนี่อารมณ์เขาเปลี่ยนเลยเพราะเราไม่ได้บังคับอะไรเลยนะเขารู้ศีลวินัยของนักบวชเนี่ยนะ อารมณ์เด็กเปลี่ยนพวกกูก็เลยเห็นภาพชัดว่าพากกูอยู่ที่นู้นหลายปีแล้วแล้วก็เปิดสองโรงเรียนเนาะอตอนนี้ตอนเช้าเราก็ไปรับเข้ามาตอนเย็นมูนิธิก็ส่งเขาไปบ้านที่นู้นเราดูแลเด็กในสามตบล น, นั้นประมาณสาสบหมู่บ้านบ้านที่ไกลที่สุดเนี่ยวิ่งไปเกือบสองชั่วโมงมาโรงเรียนถ้าเราไม่ทาอย่างนั้นพวกเขาก็พลาดโอกาส มันก็ดีระดับหนึ่งแต่พอกลับไปปุ๊บตอนนี้สังคมชนบทยิ่งเลวร้ายมากพ่อแม่พี่น้องมาทำงานกรุงเทพแล้วก็เอาวัฒนธรรมวัตถุนิยมเอาอะไรอาบายมุข ก, กลับไปบ้านเด็กเป็นเหยื่อแต่หลังจากอาศัยบา ร, รมีในหลวงราชการที่เกของเราทำให้ครูมองเห็นภาพชัดว่าทางรอดและปลอดภัยที่สุดก็คือ เอาผ้าเหลืองเอาผ้าขาวห่อเข้าไว้ก่อนในวัยที่เขายังแยกแยะถูกผิดไม่เป็นนะปิดเทอมก่อนก็โดยเฉพาะเด็กโตมัธยมนะ่ะโอเคที่ที่มาจากจั ง, จงหวัดแถวโซนภาคกลางเนี่ยมีแต่จะกลับบ้านบางทีพ่อแม่ก็พาไปเที่ยวเมืองนอกกลับไปปุ๊บก็ต้องนับหนึ่งใหม่นะแต่เทอมนี้พวกกู ก่อนจะมาก็คุยกับพวกเขาเขานิ่งเหมือนกลับก็ได้ไม่กลับก็ได้นะก็เลยพราครูยุ่งแค่ไหนก็ช่างพราะครูต้องจัดเวลาให้พวกเขานะว่างๆปุ๊บพักครูก็บอกสกั่งบอกว่าเดี๋ยวจัดโปรแกรมเด็กๆเดี๋ยวเอาช่วงชั้นนี้อาทิตย์นี้ไปกินข้าวกับพักครูนะเราก็ไปเหมือนครอบครัวใหญ่ ความสนิทสนมนะเขากล้าที่จะคุยกับเราเปิดอกกับเรานะแต่เป็นปัญหาส่วนรวมปัญหาการเรียนหรือปัญหาส่วนตัวเนี่ยนะเด็กๆไม่ต้องสอนนะครับในครอบครัวนี่ไม่ต้องสอนเลยขอให้ความอบอุ่นถ้าเขารักเราเขาจะกลัวคนที่เขารักเนี่ยเสียใจนะความอบอุ่นนี้สําคัญมาก เราเปลี่ยนเขาไดนะ้ตอนนี้กลายเป็นเหมือนครอบครัวใหญ่นะแล้วก็ที่ศูนย์มีแหะภิสุพิสุณีพิกษุณีอุบาสกอุบาสิกามีครบพุทธบริษัทสี่ตรงนั้นก็จากนี้ไปพ่ะครูมองภาพชัดละเรามีสองโรงเรียนโรงเรียนที่อยู่ศูนย์ใหญ่เนี่ยต่อไปเนี่ยเราพยายามมีเป้าว่าเด็กที่ไปเรียนที่น่อนอยู่ประจําแล้วก็ต้องบวชหมด ทั้งชีทั้งเนนส่วนใครจะไปกลับแล้วเนี่ยก็ไปเรียนโรงเรียนข้างนอกนะก็เดี๋ยวพระครูอยู่กรุงเทพมีมีอีกสองคอร์สนะที่รอพ่อครูอยู่นะแล้วก็วันที่29นี้กลับไปแล้วก็วันที่ห้าเนี่ยจะรับไม่ชีน้อยไม่ชีมัธยมแล้วก็เนเนเนี่ยเดินทางมากรุงเทพวันที่ห้าแล้วก็ เข้าไปกราบพระศบในหลวงและ ว, วันที่หกก็พาเขาไปเข้าค่ายในป่าในวัดที่กาญจนบุร <c oughs> ีเพราะว่าเขาบวชภาคฤดูร้อนทุกปีนะแล้วก็ตอนนั้นลูกสาวพ่อกูเองเออคูคีกับน้องดอนเนี่ยตั้งแต่มาอเมริกาพ่อกูก็ เคยมาให้บวชเนนบวชชีที่นี่ภาคฤ ด, ดูร้อนแล้วพ่อครูก็มาช่วยอบหลงก็ตอนนี้เราก็กลับมามาช่วยทำบุญแล้วให้เด็กๆ เ, เนี่ยมีโอกาสมาเปิดหูเปิดตาทัศนศึกษาเด็กเปลี่ยนฮะยิ่งสังคมทุกวันนี้เนี่ยเอาแค่เลี้ยงลูกให้อยู่รอดปลอดภัยนี่ก็ลำบากแล้วอย่าว่าแต่เขาเก่งแค่ไหนให้มันข้ามฝั่งนี้เป็นเรื่องใหญ่มาก แม้กระทั่งอยู่ในชนบทในตเข็บชายแดนเนี่ยปัญหาเหล่านี้ก็ไม่ล่าเวน้นพวกครูก็เห็นชั้นแล้วว่าโอเคจากนี้ไปเอาแบบนี้แหละก็ฝากคุณครูไว้ถ้าผู้ปกครองอะไรเนี่ยเขามีลูกหลานหลายคนนะะ่ะเขามีไม่เคมีกําลังที่จะดูเนี่ยโดยเฉพาะชั้นประถมนะฮะโรงเรียนในในศูนย์น่ะมีชั้นประถมส่วนมัธยมนั้นไม่จําเป็นเราไม่รับออกมากลางคัน เดี๋ยวทําอยู่ดีๆเนี่ยออกมาวุ่นวายไปหมดแล้วก็เอาเอาเด็กของเราอยู่นั่นก็บวชต่อแล้วอยู่ในศูนย์แล้วก็ชื่อไปแขวนไว้ที่โรงเรียนมัธยมนะแต่เรียนในศูนย์ถึงเวลาคุณครูก็เข้ามาจัดสอบพฤติกรรมเขาดีขึ้นนะแล้วก็โดยบา ร, รมีในหลวงรัชกาลเด็ก้าอีกนั่นแหละคือศูนย์พระลานข่อยพราะกูตั้งขึ้นมา เมื่อย0สกว่าปีก่อนเป็นบา ร, รมีสมเด็จย่าปีนั้นน่ะเป็นนโยบายรัฐบาลข้าราชการคนไหนบวชถวายสมเด็จย่าเนี่ยได้สองขั้นศึกษาที่การอำเภอมาปรึกษากพวกกูพรกูเป็นเจ้าภาพก็ประกาศก็มีเฉพาะภิกษุนี่บวชหนึ่งร้อยสิบเบดรูปนะบห้าวันพวกกูก็อบหลมแล้วก็บวชสามมณีนบวชชีพาม ศูนย์เกิดขึ้นในวันนั้นนะ้วก็ดำลงมาจนวันเนี่ยช่วงนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะจาก13าตุลามาที่น่นมีศูนย์ใหญ่ๆสามศูนย์ก็คือว่าศูนย์จิตใจศูนย์สมองศูนย์ปากทองศูนย์จิตใจก็ศูนย์พัฒนาจิตมีที่พักสงฆ์ที่พักชีที่พักญาติโยมมีศาลาปฏิบัติธรรม นะส่วนศูนย์สมองเราก็มีโรงเรียนสองแห่งนะแต่โรงเรียนที่อยู่ในศูนย์ใหญ่นั้นเพราะคูจะไม่ให้โตกว่านั้นเดี๋ยวมันจะไม่สมดุลระหว่างศูนย์จิตใจชุนหมาทองนะส่วนโรงเรียนข้างนอกเรามีมัธยม6ปีแรกเพิ่งปีแรกถึงมัธยม6แล้วก็ได้รับความเมตตาจากดเรเก่งพี่ชายครูก้อยนะก็ให้คอมพิวเตอร์ไปชุดหนึ่ง แล้วก็ให้โปรแกรม168นะแล้วก็มีห้องติวเด็กมัธยมชันน้ไม่ได้ไปโรงเรียนนะวิชาการติวเอาจาก168หมดบางคนก็บอก168มันไม่ได้สมบูรณ์ถูกแล้วแต่มันนอกแค่นั้นขอให้ตั้งใจเรียนถ้ารู้168หมดแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วมากเกินไปสำคัญว่ารู้แล้วทำอะไรเป็นไหมพูดเป็นไหมคิดเป็นไหมต่างหากนะ คุณครูอยู่ในวงการการศึกษาหลังจากกลับมาจากอเมริกาพกก่อคูก็สนใจการศึกษาเพราะว่าอยากให้สังคมเป็นอย่างไรก็สอนลูกหลานเราให้มันเป็นอย่างนั้นธรรมดาสมัยโบราณเนี่ยการศึกษากำหนดสังคมแต่ทุกวันนี้การศึกษาถูกสังคมกำหนดเธอต้องสอนวิชานั้นวิชานี้ไม่งั้นเธอจะไม่มีงานทาเราเป็นข้าทาสแค่ทุนนิยมวัตถุนิยม แล้วก็ไปประเมินความเก่งทางด้านวิชาการเท่านั้นเองแต่ในแง่คุณธรรมน่นอ่อนแอมากสังคมทุกวันนี้เกิดเรื่องทะเลาะบอแวงกันคุยกันไม่รู้เรื่องอะไรสุดท้ายก็สุดท้ายก็คือว่าเราอ่อนเรื่องคุณธรรมนะการศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยกระทรวงศึกษาตั้งโจทย์ไม่ได้ผิดเลยเป้าหมายเราคือให้เด็กไทยเนี่ยคิดเป็นพูดเป็นทำเป็น แล้วตอนนี้เป็นอย่างนั้นไหมไปหลงเก่งวิชาการได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งมันทีคุยกับพ่อแม่ก็ไม่รู้เรื่องกันทำอะไรก็ไม่เป็นฉันมีหน้าที่เรียนอย่างเดียวซักผ้าไม่เป็นช่วยพ่อแม่ไม่เป็นนี่แหละเราตั้งโจทย์แบบหนึ่งแต่เราก็มาทำอีกแบบหนึ่งเป็นสังคมปากว่าตาขยิบสังคมนี้สาเร็จไม่ได้ เพราะเราไม่ซื่อสัตย์ต่อเป้าหมายเราเป้าหมายมันถูกต้องแล้วแต่พอเรามาทำปุ๊บถูกขบวนการอะไรแข่งขันแล้วก็การประเมินเด็กนี่ประเมินที่ความรู้ทางวิชาการเราไม่ได้ประเมินที่ว่าเขาคิดเป็นพูดเป็นทําเป็นจริงๆหรือเปล่านะเคยมีผู้ใหญ่กระทรวงไปเยี่ยมพระครูนะพรอครูก็ขอแลกเปลี่ยนพระครูถามเขาว่า ที่เราให้เด็กเนี่ยมาเคารพธงชาติทุกวันเนี่ยมันมีในยะอะไรเลยท่านก็บอกว่าเป็นการเตือนสติให้เขารพลึกถึงชาติศาสนาพระมาหากษัตริย์ไม่ได้ผิดนะนั่นคืออุดมการของคนไทยแต่ตอนนี้สังคมเป็นอย่างไรเราเอาชาติไปจำนองนะเพื่อรักษาระบบทุนนิยม เราไปสอนให้หลงวัตถุนิยมจนลืมพระศาสนาเราไปบ้าประชาธิปไตยแบบตะวันตกจนลืมพระมหากษัตริย์ก็เป็นสังคมปากว่าตาขยิบมันจะสำเร็จได้อย่างไรมันเป็นอย่างนี้ตอนนี้สังคมเราเป็นอย่างนี้นทีนี้พ่อคูก็เล่าให้ฟังพ่อคูเห็นแต่ว่าพ่อคูก็ทำอะไรไม่ได้แต่เราก็ทำ ในจุดที่เรามีกําลังแค่นี้แล้วก็ทําอยู่ในชุมชนเล็กๆนะยิ่งเรียนสูงปุ๊บสมัยเด็กๆเล่นกันเนี่ยพ่อแม่บอกลูกหยุดหยุดหุเขาหยุดเลยนะเพราะเขารักพ่อแม่ตอนนี้บอกหยุดคําเดียวเถียงมาสิบคาเลยฉันถูกมันผิดเน <ะ S 1> ี่ยเขาบอกยิ่งเรียนยิ่งพูดกันไม่รู้เรื่องทําอะไรก็ไม่เป็น เห็นไหมมีมีเด็กที่เรียนเก่งโยมอันดับหนึ่งเกรสี่อะไรจากชมบีไปเหมือนกันไปไม่ถึงครึ่งเทอมนะเดี้ยงเขาไปต่อรองกับคุณแม่ชีว่าเขานอนดึกกว่านี้ได้ไหมแม่ชีว่าไม่ได้สี่ทุ่มเรานอนและหนูอ่านหนังสือไม่ทันมาต่อรองกับพ่อครูหนูนอนดึกกว่านอนดึกแค่ไหนด้อสักตีสองที่เขาเก่งน่ะเขาเก่ยนด้วยนึ่เพราะเขาอ่านหนังสือเยอะมาก เขามีความชุกการอ่านแล้วยังไง ร, รู้ไหมเขาไปโรงเรียนมันง่วงไงไม่ใช่เราจับได้นะเขาเขาไม่ได้ขโมยทมไปที่ศูนย์เขาก็ไปในร้านค้าเขาซื้อกาแฟผงอะมันกินทีหนึ่งสองซองเทเข้าไปเลยเลยไม่ต้องเจือจาไงไอ้น้ำเลยไงพ่อแม่ไม่รู้หลังจากมาถามเขารู้ก็บอกว่า เขาทำอย่างนี้ตั้งแต่ป .4 จนถึงตอนนี้ม .2 ร่างกายโทมหมดเลยเก่งแบบนี้เอาไหมพ่อแม่มีแต่เน้นเก่งเก่งเก่งเก่งรู้กเขาก็เป็นเด็กดีไงเขาก็เก่งจริงๆได้เขียนอยู่มาดับ4เพราะคูบอกว่าเดี๋ยวลูกไม่ได้ไปเรียนต่อหรอกลูกเดี๋ยวมันจะตายก่อนเราไม่ได้รัก ชีวิตเขาเลยเรารักอนาคตเขาแล้วสุดท้ายอนาคตเขาเพ่อครูเห็นไะเดี้ยงไงไม่ได้เรียนต่อหรอกแล้วก็ไม่จบด้วยแล้วตอนนี้ต้องกลับมารักษาตัวเห็นไหมตอนนี้เรามุ่งเป้าประเด็นที่ว่าให้เขาสําเร็จในชีวิตคือมีอนาคตเราละเลยเรื่องชีวิตเขาเรื่องสุขภาวะเห็นไหม คุณหมอบรญชาพูดบ่อยๆอยากเป็นเศรษฐีอยู่บนรถเข็นไหมหาเงินมาตลอดชวีวตเพื่อรักษาโลกนะมีครูโรงเรียนอด็กกชนเราก็มีไงเอ่อเดี๋ยวก็ลาไปสอบอยากเป็นข้าราชการไม่ใช่ผิดนะเพราะเราถูกสอนว่าเป็นข้าราชการนี่มีสวัสดิการมั่นคงนะกว่าจะสอบผ่านกว่าจะบรรจุนี่ต้องวิ่งเต้นกู้หนี้ยืมสินเอาเงินไปให้เขา นะเพราะว่าเราเชื่อว่าแล้วก็บังเอิญว่าถ้าเกิดญาติพี่น้องเราไม่สบายพ่อแม่พวกก็มีสวัสดิการรักษาตอนนี้ไม่เป็นข้าราชการเนี่ยเขาก็มี3าบาทรักษาทุโลคแล้วเราไปทำงานตลอดชีวิตเพื่อให้มีสวัสดิการรักษาชีวิตเราแค่นั้นเหรอวิธีรักษาโรคที่ดีที่สุดคือป้องกันไม่ให้เกิดโรค วิธีป้องกันไม่ให้เกิดโรคที่ดีที่สุดคือรักษาความสะอาดสะอาดจิตสะอาดร่างกายสะอาดสิ่งแวดลอ้อมส่วนแข็งแรงแค่ไหนเนี่ยนะคุณก็หนีกฎแห่งกรรมไม่พ้นคุณจะหนีเรื่องอุปัติเหตุได้ไหมนั่งรถไปนี่ไม่สักวัวันหนึ่งถูกเขาชนตายได้ไหมแต่ว่าชีวิตเราแค่นั้นเหรอแค่เรียนมาทำงา น, เ, นเพื่อเอาต้องการสวัสดิการเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยแค่รักษานะอย่ารักษาโรคนะครับ เวียงโลกทิ้งรักษาชีวิตเราให้รักษามันอยู่กับเราทำไมตอนนี้เราไปโรงพยาบาลมีโรงพยาบาลไหนบ้างรักษาคนไม่มีห้องตรวจโรคเท่านั้นแหละไปนั hey, <Sometimes. S 1> is ่งรอสามชั fifteen fifteen mm ่วโมงก็ช <shocked. S 2> ุดชุชุดชไปเอายาไปลองเดี๋ยวมาใหม่เออมันไม่ดีขึ้นเอายาตัวใหม่ไปลองหมอในอดีตเนี่ยเห็นคนไข้ทุกวัน แต่หมอปัจจุบันเห็นแต่ไข้ไม่เห็นคนไข้นี้ราคาแค่นี้ไข้นี้ราคาแค่นี้คนคนนี้ไม่เห็นหมอไม่ไม่มีเงินก็ไม่เห็นหมอมันกลายเป็นธุรกิจการแพทย์ปัจชญาของวิชาหมอสมัยโบราณเนี่ยเพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บไม่ใช่เพื่อเอามาหาเงิน มันมันเป็นธุรกิจครอบงำหมดสมัยก่อนการค้าค้าเพื่อกําไรนะเพื่อดํารงชีวิตตอนนี้การค้าไม่จเจริญต้องเป็นธุรกิจการค้าต้องยิ่งใหญ่ด้วยความยิ่งใหญ่เกิดจากการที่เราต้องไปทําลายคู่ต่อสู้ให้มันแพ้เราแล้วมันจะไม่ทุกรู้เปล่ามันเป็นกรรมเนาะนี่แหละถึงสรุปตอนนี้เนี่ยหมอหลายคนเนี่ย ซึ่งคุณหมอบัญชาแนะนำไปบ้างที่หมอเขาไปอะไรนี่มาไปปฏิบัตินี่นะเขาก็เล่าให้เขาพูพราะฟูฟังเนี่ยข้อมูลตรงกันเกือบทุกคนประมาณส0ปีก่อนบอกหมอนี่เฉลี่ยอายุ53ปีตายตอนนี้เฉลี่ย52ปีตายเมื่อคุณหมอรู้เรื่องสรีระรู้เรื่องสุขภาวะมากที่สุดทำไมคุณหมอไม่สามารถชนะเออ บริหารชีวิตตัวเองให้ยืนยาวได้ไม่ใช่เรื่องดีหรือไม่ดีเรื่องถูกเรื่องผิดนะแต่ขบวนการมันเนี่ยมันแฝงด้วยธุรกิจนิยมไม่ได้ทำด้วยสำนึกไม่ได้ทำด้วยเมตตานะตั้งแต่เรียนแล้วเนี่ยฆ่าสัตว์ไหมฆ่านะ ต้องเอาหนูมาลองยาบ้างต้องอะไรต้องผ่าตัดอะไรบ้างเนี่ยเราทําทุกอย่างเพื่อความสําเร็จของเราไอ้กรรมตัวนี้มันก็บ่มเพาะเคยมีหมอหนะ้าสีส่บที่กรุงเทพโรงพยาบาลใหญ่แห่งหนึ่งเป็นหมอเขาเรียวกว่าหมอลมยานะ่ายใส่ยาสลบอะไรนี่นะเป็นผู้หญิงคุณหมอที่กลายเป็นโรค ก, กระตุกมันลักษณะคนที่คุณไปเอาวิธีเนี่ยแปลความให้เขาขาด สติสัมปชัญญะก็เพื่อจะไปรักษาเขานั่นแหละแต่วิธีการรักษาเนี่ยมันฝืนธรรมชาติแล้วคุณหมอก็เป็นเองแกบอกยาแพงที่สุดในโลกก็ฉีดมาแล้วไปเมืองจีนไปอะไรแล้วเนี่ยแกทุกมากอันนี้ทุกแค่นี้ไม่พอที่เขาบอกผีซ้ำด้ามพลอยสามีซึ่งเป็นหมอด้วยคนทุกวันนี้ฉลาดนะ ถ้าถ้าใครไปคบชู้นี่มันผิดศีล น, นะเขาไม่ไปคบชู้เขามีกิ๊กไงแล้วกิ๊กก็เป็นพยาบาลอยู่ในคลินิกของตัวเองนั่นแหละช้ำใจไหมพอไปถึงศูนย์พอคูเห็นจิตแล้วเนี่ยโอ้โ ห, หน่าสงสารพอะรูไม่พูดอะไรมากก็จับนั่งเวี่ยงตอนนั้นถ้าเรื่องว่าเสียมารยาทพาคกูเสียมารยาทเพราะเมตตาไม่จาเป็นพครูไม่ทานะ เราส่งพลังให้เขาหมุนหมุนขึ้นมาเนี่อูยแกอรารวาดแรงมากเลยแค่ครั้งเดียวโรคที่แกเป็นหายเลยเพราะครูบอกคุณหมอมันไม่ได้หายจริงๆนะแต่จิตมันทำให้คุณหมอรู้ว่ามันหายได้มันไม่ใช่เรื่องกายภาพมันเป็นเรื่องอุปท า, านคุณหมอต้องปฏิบัติไปอีกแกหายหนึ่งวันโอ้ช่วยล้างถ่วยล้างจานอะไรอะไรดีใจมาก พอกลางคืนนอนหลับตื่นขึ้นมาอาการมันก็เกิดขึ้นมาอีกอยู่ได้ไมกี่วันก็ต้องรีบกลับมาไงห่วงแฟนไปห่วงทำไมเขามีความสุขดีเขามีคนดูแลอยู่แล้วนี่แหละเราไม่มีเรื่องเราก็หาเรื่องทุกข์กันไงเห็นไหมเวลาแต่งงานเนี่ยเขาให้เราเป็นอะไรคุณผู้ชายเป็นอะไรเป็นเจ้าบ่าวใช่ไหม คุณผู้หญิงเป็นอะไรเป็นเจ้าสาวใช่ไม้มเรารู้ว่าเจ้าบ่าวมันแปลว่าอะไรเจ้าแห่งบ่าวไพคือผู้รับชายที่ยิ่งใหญ่เจ้าสาวคืออะไรยังัมยสาวเข้าตัวเองหมดต้องเป็นภรรยาสีภรรยาปุ๊บก็ต้องเป็นแม่ที่ดีเป็นยายที่ดีเป็นย่าที่ดีเจ้าสาวเนี่ยเขาสาวไหมาสาวอะไรนี่นะมันก็แปลว่าเป็นผู้รับช้ผู้ยิ่งใหญ่เหมือนกัน แต่ทุกคนชอบที่จะเป็นเป็นก็ไม่เป็นไรถ้ามันเป็นวาล่ที่เราพระเจ้าชายเฉลิศา ก, ก็แต่งงานนั่นแหละแต่ต้องแต่งให้มันเป็นนะไม่ใช่แต่งอยู่กับงานเฉยๆนะทําไปเธอก็ทุกฉันก็ทุกบางวันเนี่ยไม่มีสติเคี้ยวข้าวดีๆเนี่ยฟันก็กัดลิ้นตัวเองถามว่ามันอยากกัดไหมมันไม่อยากหรอก และไอ้นี่ร้อยพ่อแพนแม่ไม่ไม่รู้จักกันแล้วมาอยู่ด้วยกันไม่ใช่ชีวิตที่ง่ายๆโดยเฉพาะยุคนี้นี่เปราะบางมากคนโบราณนะไล่ก็ไม่หนีเตะก็ไม่หนีนะเพราะเขาอดทนตอนนี้เราสิทธิเสรีภาพถูกแล้วไปอดทนอยู่ทำไมเราก็หนีออกแล้วปัญหาตามมาคืออะไร พ่อไปทางแม่ไปทางลูกมีพ่อมีแม่ก็เหมือนไม่มีเนี่ยพ่อครูอยู่ตรงนั้นนพ่อครูเห็นอารมณ์นี้ถึงเปิดโรงเรียนอยู่ประจำนะผู้อนวยการลงหลายโรงพยาบาลหลายโรงเรียนไปดูอย่ว่าโอ้พ่อครูเอาลูกคนอื่นมาเลี้ยงนะลูกเราหมดนะสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นแต่เราก็ทำได้แค่นั้นหรอกเราเปลี่ยนสังคมไม่ได้ เราทำในจุดที่ว่ามันเป็นหน้าที่เราก็ทำเราตอบโจทย์จิตเราได้ก็พอแล้วไม่ต้องไปรายงานใครนะแล้วตอนนี้เนื่องจากอาศัยบา ร, รมีในหลวงรัชการที่เก้าเหมือนกันนะเด็กๆก็ได้บวชต่อและพอกระคูมองภาพชัดนะครับคุณครูฝากไว้ถ้าเกิดเจอพักพวกเพื่อนฝูงหรือว่าผู้ปกครองที่ว่าฐานะเนี่ยพระคูไม่อยากให้ฝืนนะ ฐานะไม่ดีก็ต้องมาบือแล้วตัวเองก็ทุกมันมันมันฝืนอ่ะมันไม่พอดีอ่ะส่งไปอยู่ศูนย์พลรานก่อยนะไม่ต้องเสียสตังค์สักบาทหนึ่งนะครับพวกคูจะดูแลนะเพราะเราเป็นมนุษย์เหมือนกันแล้วโดยเฉพาะเราเป็นคนไทยด้วยกันเราอยู่ในสังคมใดแล้วต้องช่วยดูแลสังคมนั้นมีข้าราชาการผู้ใหญ่28ปปีเนี่ยบางทีเผลอเข้าไปล่ะ นะช่วงหลังนี่ไม่ค่อยกล้าเข้าไปไม่รู้เขากลัวอะไรเพราะคูไม่ใช่ยักษ์ไม่ใช่มาร น, นะนะพรากคูก็พูดตรงๆว่ า, อ ย, า, า, วาอย่าลักชาติแต่วาจาทำอย่าลักชาติโดยสร้างภาพเฉยๆนะเราหลอกคนอื่นได้เราหลอกจิตเราไม่ได้เราไม่ได้อะไรเลยแถมผิดศีลด้วยนะโกหกเขาพวกะครูในอดีตเนี่ยบ้าจนไปเล่นการเมืองนั่นแหละ เป็นสมาชิกสภาจังหวัดเขตอำเภอเมืองอยู่สมัยหนึ่งแล้วปีสองหกก็ลาออกมาสมัครผู้แทนอะไรนี่นะนักการเมืองในโลกใบนี้เนะี่ยมีคนเดียวที่พ่อคูยินดีกับเขาอดีตประธานาธิบดีเคนเนดี้เขาหาเสียงกับคนเป็นล้านๆเลยเนี่ยเขาชี้เลยเช้าชี้หน้าเลยชี้หน้าประชาชนทั้งออกอากาศด้วยว่า อย่าถามว่าประเทศชาตินี้จะทำอะไรให้กับเราบ้างถามว่าเราจะทำอะไรให้กับประเทศชาติบ้างมีแต่ขอขอขอขอแล้วก็มีแต่ไปแจกแจกแจกแล้วเมื่อไหร่มันจะโตทำเพื่อผลประโยชน์ตัวเองเนี่ยนี่คือการเมืองเขาไงอย่าถามว่าประเทศชาติไม่ใช่ว่านักการเมืองไปจะไปขอนวนขอนี่เนี่ย เราเองเป็นเจ้าของประเทศเราต้องการให้ประเทศเราสะอาดเราก็ทำความสะอาดแต่ที่นี้มันไม่ใช่ความถูกความผิดระบบการศึกษาเนี่ยมันยังไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะคนชนบทเขาเลือกเกิดไม่ได้เขาไม่ได้ผิดเขาอยู่ดีๆของเขาเนี่ยเพราะครูเคยพูดแล้วนะนะเขาจนอยู่ดีๆของเขาเนี่ยมาพัฒนาจนเขายากจนอ่านะเร็วๆนี้หน่วยงานก็เข้าไป หัวหน้าส่วนงานไม่หมดพราะครูก็พูดเรื่องนี้นะ่ยพราครูมา28ปดปีที่แล้วเนี่ยเขาจนอยู่ดีๆของเขาเนี่ยเรามาพัฒนาให้เขายากจนเขาบอกมันหมายความว่า ย, ยังไงฟังพ่อครูแล้วเหนื่อยไหมนะตอนนั้นเขาไม่มีเงินเลยเขาจนจริงๆแต่เขายิ้มกขาหัวเราะได้ตลอดเวลาเราอยู่ริมเขื่อนสิรินธรในน้ํามีปลาในนามีข้าวในปา่ามีสมุนไพรไม่มีเงินสักบาทหนึ่งก็อยู่ได้ไง แต่ตอนนี้เราไม่กลัวเรากลัวว่าเขาจะไม่เจริญเฮ้ยมันไม่เจริญนะไปกู้เงินธนาคารมาทาําโครงการนั้นทําโครงการนี้เพ่อครูมาใหม่ๆเนี่ยเขาพาพ่อครูไปเก็บเห็ดนะมาจากเมกาวก่าโอ้ในโลกนี้มีอาหารทิพด้วยไม่ต้องเสียสตังต่างหากไม่มีสารพิษแต่พอถนนเขาไปปุ๊บตอนนี้เป็นเรื่องเลยมันเอาออกไปขายได้ไง สมัยก่อนเราเรียกว่าไปเก็บเห็ดแต่ตอนนี้ไม่ใช่นะคนอีสานเรียกว่าไปไต่เห็ดต้องจุดไฟไปก่อนเพื่อนโผปุ๊บเอาเอาจนล้างผานจนศูนย์พันไปหมดอะแล้วต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาเพาะเห็ดตอนนี้มีกำไรมีขาดทุนละเพราะเราอยากได้เยอะใครเป็นคนทำให้เขาเป็นแบบนั้นพวกกูถามว่าใครเขาจนอยู่ดีๆทั พัฒนาจนยากยากตัวนี้เขาเป็นหนี้แล้วยากแล้วที่ดินถูกยึดไปหมดเราไปหลงว่าจเจริญเติบโตคือความมั่นคงเราเข้าใจผิดคําว่าจเจริญไปว่ามีมากขึ้นเติบโตไปว่ายิ่งใหญ่ขึ้นมันไม่ได้แปลว่ามั่นคงมันไม่ได้แปลว่ามั่นคง พ่อครูตอนอยู่อเมริกาเนี่ยเราอยากได้แล้วก็ได้หมดเลยพ่อครูไม่รู้สึกมั่นคงเลยกลัวกลัวถูกจับเรียกค่าไทยกลัวมันโกงเรากลัวสู้เขาไม่ได้ไม่รู้สึกมั่นคงเลยแต่28ปีไปอยู่ในป่า น, นั้นนะ่ะพ่อครูรู้สึกมั่นคงทุกทุ ก, ทกวินาทีไม่มีแม้แต่หนึ่งวินาทีมีความรู้สึกว่าไม่มั่นคงศูนย์พลานค่อยเลยไม่มีรั้วรอบขอบชิด ไม่มีของหายแม้แต่หนึ่งชิ้นจริงๆแล้วมันน่าจะหายทุกวันก็ได้แต่มันไม่ใช่ของพ่อครูมั่นคงมากความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกมั่นคงมันเป็นแค่ความรู้สึกถ้าเราศึกษาพระพุทธเจ้าหน่อยหนึ่งแล้วก็ศึกษาในหลวงรัชกาลที่เก้าหน่อยหนึ่งพระองค์แปลภาษาพุทธให้กลายเป็นภาษาธรรมราดาตามยุคตามสมัย แล้วพระองค์ไม่ใช่แปรไม่ใช่ชี้ทางให้เราเฉยเฉยนะเจดสิบพัรษาของพระองค์ที่คองลาดน่พระองค์ทาให้เราดูทุกเรื่องคำว่าปานินเนี่ยมาจากไหนูในโลกนี้ไม่มีปานินมันมีปลาชิ้นหนึ่งเจ้าฟ้าชายญี่ปุ่นเนี่ยเอามาถวายพระองค์พระกูจำไม่ได้รักจีดตัวพระองค์ก็เลี้ยงอยู่ในสวนจิตระดา แล้วก็เพาะพันธุ์พระองค์เห็นว่ามันเป็นสีนินก็เลยตั้งชื่อเป็นปลานินแล้วก็รับสั่งให้กรมประมงเอาไปขยายพันธุ์ตอนนี้ปลานินเนี่ยอยู่ในทุกลาน้ำทุกสาขาของประเทศไทยเห็นั้ยพระองค์เจาะลึกลงไปในรายละเอียดเลยกลัวชาวบ้านไม่มีจะกินนะพระ อ, องค์มีลูกหลายคนคนนี้มีปัญหาฝนแรงคนนี้มีปัญหาแห้งแรงก็ทาฝนเทียม คนนี้มีปัญหาน้ำท่วมก็ทำแก้มลิงคนนี้มีสุขภาพไม่ดีเนี่ยก็ทำแพทย์เคลื่อนที่สร้างโรงพยาบาลคนนี้ยากจนไม่มีโรงเรียนก็เปิดโรงเรียนประชาสงเคราะห์พระองค์บริหารโดยไม่ต้องบริหารพระองค์ทำจากสำนึกที่พระองค์รัก ประเทศของพระ อ, องค์จริงๆในประเทศนั้นประกอบด้วยลูกหลานหลายสาขาไม่ใช่ทำงานตามตำแหน่งแล้วเร็วนี้ก็มีข้าราชการผู้ใหญ่นั่นแหละก็ไปคุยกับพระครูว่าอืมเขาคงอยู่ช่วยโครงการเศ ร, รษฐกิจพอเพียงได้อีกสปีพระครูก็ถามทำไมอ๋ออีกสาปีกเกษียณไงพอพูดเสร็จพระครูบอกได้ยังไงต้องตลอดชีวิตพระครูเลยกเกษียณมาตั้งเยอะแยะแล้ว เห็นไหมบางครั้งเราทําจากความจําเป็นไปตําแหน่งหน้าที่ใช้เราไม่ได้ทําจากสมนึกซึ่งเราเป็นคนไทยในหลวงราชการที่๙พูดบ่อยๆว่าออกมาจากข้างในข้างในตัวนี้ก็คือจิตสมนึกอันนี้ไม่ใช่ของฉันทํำมาอย่างงั้นแหละมีอะไรไม่ใช่ของเราในโลกยุโรลนี้ของเราหมด แต่ในโลกจักรวาล น, นี้ไม่ใช่ของใครทั้งนั้นเราเราให้เราก็ได้ไม่ใช่ว่าให้ส่วนรวมด้วยให้ส่วนตัวน่ให้หมดเราก็ได้ให้ไงเราก็ได้บุญคนอื่นไม่รู้จิตบันทึกสัญญาแล้วนะบางคนเกิดมาป๊บพ่อมีพันล้าน บางคนเกิดมาพ่อเป็นขอทานบางคนเกิดมาไอคิวสูงบางคนเกิดมาไอคิวต่ำใครเป็นคนกําหนดนั่นแหละกรรมเป็นตัวกําหนดกรรมในอดีตรเราไปย้อนแก้ไม่ได้แต่กรรมปัจจุบันเนี่ยเราเลือกได้นะก็พ่อครูมีศูนย์จิตใจศูนย์สมองศูนย์สมองก็เป็นปีแรกที่เรามีมัธยม ม, ม .6 นะก็คิดว่าทุกอย่างก็ ก็เดินไปได้ละศูนย์จิตใจตอนนี้เนี่ยปีนะญาติธรรมเราเนี่ยก็เข้าไปใช้ประโยชน์บังเอิญมาเจอ13ตุลาที่ผ่านมาเนี่ยนะพราคูก็กลับมาทำศูนย์ปากทองจริงๆแล้วพรอ ก, กูทำตั้งแต่ปี3 3 3สสสกลับมาจากอเมริกาส2สองก็เริ่มทำกเกษตรเพื่อชีวิตมิใช่เพื่อธุรกิจ ทำมาหากินไม่ใช่ทามาหาขายทำอยู่ทำกินทำทานทาเพาะท ำ, ทำไม่มีต้นทุนไม่มีกำไรไม่มีขาดทุนไม่มีราคามีแต่คุณค่าสำหรับชีวิตบางคนก็แย้งว่าทำอยู่ทำกินยังไม่รวยเลยเนี่ยให้ทานทำไมให้ทานสำคัญกว่าทำอยู่ทำกินด้วยเที่ยวก่อนพ่อครูจาไม่ได้ว่าพูดหรือเปล่ามีฝรั่งคนหนึ่ง ชื่อทราวิสมาจากอเมริกาเป็นคนหนุ่มตอนนั้นมาอายุ26ปีสูง196เซนอยู่ๆเขาก็ติดต่อเขาก็มาศูนย์นะเพราะเพราะูก็ตั้งชื่อให้มันเรียกง่ายๆเด็กมันนอกจะได้เรียกง่ายให้ชื่อเทวามันทราวิสให้ชื่อเทวาเขาปฏิบัติเขาก็เข้าไปในจิตเขาเหวี่ยงพระเจ้าของเขาหมดเลยตอนนี้ผ่านมา สิบกว่าปีแล้วล่ะเขาไม่มีศาสนาพ่อครูก็ไม่ได้บังคับให้เขานับถือศาสนาใดแต่วิถีที่เขาแสดงออกมันเป็นวิถีหมดหมดมันออกมาจากข้างในเขามีเมตากว่าคนไทยหลายคนนะทีนี้วันหนึ่งพ่อครูก็ประเมินภูมิปัญญาของชาวตะวันตกบอกเทว่าเนี่ยถ้าวันไหนเธอลงไปในเขื่อนซิลเลนทอนเนี่ย เธอไปตกปลามาได้ตัวหนึ่งมันยาวสองเมตรเนี่ยเทวาจะเก็บไว้ยังไงกินนานที่สุดเขาก็ไปนั่งคิดเขาดีดนิ้วเขาบอกวิธีง่ายที่สุดก็คือเอามาแล่เป็นชิ้นชิ้นชชชิ้นชเอาพลาสติกมาแรปมันแล้วเอาไปแช่แข็งไว้วันนั้นจะกินก็ออกมาทีละชิ้นถ้าเกิดมีโรงงานทําปลากระป๋องก็ไปทําปลากระป๋องนั่นแหละกินนานที่สุดเพราะว่านั้นเหรอเขาบอกใช่ทีนี้ก็หันกลับมาถามพี่อ้อม พี่อ้อมถึงเป็นเด็กบ้านนอกนะก็เอามาเรียนเพราะคูเปิดกศนเพราะคูสอนเองนะลูกสาวพ่อคูก็เป็นรุ่นแรกเรียนกศนอตอนนี้พี่อ้อมพวกนี้จบเป็นครูเป็นครูหมดแ ล, ะละ้วล่ะนะพี่อ้อมถ้าพี่อ้อมจับปลามาได้ตัวหนึ่งใหญ่แค่นี้พี่อ้อมจะเก็บว่ายังไงกินนานที่สุดเด็กบ้านนอกไม่ต้องคิดเลยครับถ้าบอกแบ่งเป็นสี่ชิ้นค่ะเอาชิ้นที่เนื้อมากที่สุดเนี่ยไปทาบุญที่วัด เอาชิ้นที่ดีที่สองเนี่ยไปให้ข้างบ้านภาษาอังกฤษบอกว่า neighbor เอาชิ้นที่ดีสามมาทำอาหารกินในครอบครัวเอาชิ้นที่ดีที่สี่เนี่ยไปตากแห้งไปทำปลาละกินข้ามภพข้ามชาติแล้วไม่ได้แก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างเดียว แก้ปัญหาสังคมชุมชนด้วยฉันให้เธอเธอให้ฉันฉันรักเธอเธอรักฉันฉันเข้าใจเธอเธอเข้าใจฉันฉันช่วยเหลือเธอเธอช่วยเหลือฉันในบ้านนอกน่คนบ้านนอกเนี่ยเสียภาษีมากกว่าคนกรุงเทพนะครับเสียมากกว่านะอย่างที่นู่นเราอยู่ชายแดนเขาออกไปซื้อน้ําปลาขวดหนึ่งไปซื้อที่ช่องเม็ก ช่องเม็กก็ซื้อมาจากพีบพ่บูนพี่บูนก็ซื้อมาจากอุบลอุบลก็ชนมันกินหลายต่อแล้วไม่รู้ภาษีกี่รอบแล้วเขาเสียมากกว่าแต่ระบบภาษีนี่ไปถึงเขาน้อยมากโรงเรียนนี่ยังกระเหล้าไก่แล้วมันจะแข่งขันเสรีได้ยังไงเด็กในเมืองเนี่ยจันทร์ถึงสุกมาท่องจําไม่พอนะไปท่องจําต่อเสาร์อาทิตย์ แล้วคุณก็ประเมินความจำกันเด็กวันนอกมาโรงเรียนถึงจะเปิดโรงเรียนฟรีก็ช่างรองเท้าก็ไม่มีบางทีมีคู่หนึ่งวันนี้พี่ไปวันคู่ฉันไปวันขี้ถ้าไม่มีรองเท้าไม่มีเสื้อผ้าคู่ก็ตกีแล้วคุณจะเอาอะไรมาแข่งขันมันเป็นสังคมที่เหลื่อมลำ้ำและตอนนี้หน่วยงานก็จะไปช่วยเออนะเอาเกษฐกิจพอเพียงเข้าไปนะ จะไปทำให้คนจนรวยขึ้นเพราะครูว่าฝันกลางวันนะถ้าเราจะช่วยให้สังคมมันไม่เหลื่อมล้ำนะต้องให้คนรวยเนี่ยเขาพอเพียงคนรวยทุกคนต้องมาศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วเขาจะกลายเป็นเศรษฐีทันทีมีส่วนเกินแบ่งปันแล้วเขาจะเจอความสุขทันทีการที่จะเอาแล้วก็กลัวไม่ได้กลัวสู้ไม่ได้เนี่ยมันทุกข์มาก การที่จะให้เนี่ยเราให้เท่าไหร่ก็ได้ไม่ให้ก็ได้ตื่นกี่โมงก็ได้ไม่มีใครบังคับเรามันเป็นความสุขอย่างยิ่งถ้าทุกคนไม่หาคำตอบในชีวิตเนี่ยเราก็เดินตามไอ้ขบวนการสังคมที่เขาจัดวางซึ่งมันไม่ถูกต้องเดี๋ยวเราพวกเรามีโอกาสนะอาจจะไปศูนย์อีกทีหนึ่งนะวันที่ไปเยี่ยมศูนย์พ่อครูน่วันที่จะกลับบ้านเราต้องนั่งรถมา ออกจากศูนย์มาถึงถนนลาดยางเราต้องเลี้ยวซ้ายไปช่องเมก็กพอถึงสาช่องเม็กแล้วเนี่ยเราต้องเลี้ยวซ้ายเข้าไปอำเภอศิรินทรไปพิบูร์ไปวารินแล้วก็กลับมากรุงเทพแต่ถ้าเราไปเลี้ยวขวามันจะเข้าประเทศลาวทีนี้เข้าเวลาปุ๊บนักวิชาการเราก็ไปวิจัยกันว่าเพราะรถลาวเนี่ยเขาชิดขวารถไทยชิดซ้ายนะเธอว่าชิดขวาดีชิดซ้ายดี วิศวกรรมวิศวะะกรเนี่ยก็ผลิตรถยนต์ยี่ห้อนี้ดีกว่ายี่ห้อนั้น เ, เซลลนักขายนี่ก็โฆษณาชวนเชื่อเพราะอยากขายเยอะๆผู้ปฏิบัติธรรมก็ขอแจมด้วยเธอต้องขับรถมีสมาธิมีสตินะถ้าเราขับมีสมาธิมีสติเนี่ยโอกาสเกิดอุบัติเหตุมีน้อยมีน้อยไม่ได้แปลว่าไม่มีที่เล่าเมามามันก็ชนเราได้แต่ถามว่า ชีวิตนี้เรากลับถึงกรุงเทพไหมจุดเริ่มต้นคุณก็ตั้งโจทย์ผิดคุณก็เลี้ยวผิดแล้วคุณทาถูกแค่ไหนลดยี่ห้อยิ่งดีเท่าไหร่มันก็ยิ่งหลงทางไปไวทุกวันนี้ชีวิตเราวิ่งหาวิธีการที่ดีกว่าคนอื่นวิ่งหาเทคโนโลยีที่ได้เปรียบคนอื่นจนลืมเป้าหมายชีวิต ไปแสวงหาแต่วิธีที่จะเก่งที่จะได้หาเงินเยอะๆนะเพราะครูเกินไปแล้วนะถ้าการส่งออกหรือการที่ทำให้ต่างชาติเนี่ยเขามั่นเชื่อมั่นเราเขาม า, มาลงทุนที่บ้านเราทำให้บ้านเมืองเจริญเนี่ยถ้ามันจริงๆนะต่างชาติพวกพวกนี้โง่หมดเลยทำไมเขาไม่ลงทุนให้ประเทศเขาเจริญมันโกหก ถ้าเราฟังในหลวงนะนะแล้วมาช่วยกันดูแลภาคเกษตรเกษตรกรเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศถ้าให้เขามีกำลังซื้อมีอยู่มีกินอย่าไปเอาเปรียบเขาเกษตรกรเมืองไทยเนี่ยเป็นอาชีพเดียวที่ตั้งราคาไม่ได้พ่อค้าเขากลัวว่าเราจะเหนื่อยไปซื้อปุ๋ยเขาเขาก็ตั้งราคาให้เอาสินค้าไปขายเขาเขาก็ตั้งราคาให้อีกเขาเมตตามากเขากลัวเกษตรกรเหนื่อย มันเป็นแบบนี้ไงแล้วสังคมเราปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงอเมริกาเนี่พระครูไปอยู่ที่โน่นเนาะเขาขาดดุลการค้าทุกปีทำไมเขามั่งคัง่งเอาแค่เขาซื้อขายคนของเขาเท่านั้นเองเนี่ยนะแล้วเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยเขาก็ดีแล้วไงบ้านเรามีตะมัวส่งออก ส, ส่งออกแล้วเงินเข้ามาเนี่ยเขามาแบ่งพวกเราไหม ตอนนี้เขาจะไปอาเซียนไปอาเซียนไปอาเซียนไปอาเซีย น, ยนมีแต่โฆษณาไม่เคยไปถามพวกครูเลยว่าชอบไปอาเซียนไหมเพราะการไปอาเซียนเนี่ยคนบางคนที่เป็นทุนข้ามชาติเนี่ยเขาได้ประโยชน์แต่พวกเราทุกสาขาอาชีพเตรียมตัวเห็นไหมทุนนิยมเขาพัฒนาไงเขาสู้กันเองเขาต้องการลดต้นทุน ตอนนี้หลายบริษัทห ล, หลายโรงงานเนี่ยใช้หุ่นยนต์แล้วแสดงว่าเขาทำธุรกิจไม่ใช่เขารักเราเขาสร้างงานให้เรานะมันเป็นข้ออ้างมันโกหกมันมาที่นี่มันใช้แรงงานราคาถูกแล้วก็มาปล่อยมนลภาวะมาใช้ทรัพยากรที่นี่แล้วเราก็ต้องขายข้าวราคาถูกๆไป็นแลกเงินเป็นดอลลาร์เอาไปจ่ายค่านาฬิกาแพงๆรถยี่ห้อแพงๆนะไปซื้อน้ามันมาผลิต พลังไฟฟ้าให้เขาเขาไม่ต้องขาดดุลการค้าเราได้แค่เศษเงินของเขาถ้าฟังในหลวงรัชการที่9านะมาทำเศรษฐกิจพอเพียงแล้วมาช่วยพิกอัพซึ่งเขาเป็นคนไทยด้วยกันเนี่ยพครูอยู่อเมริกาพวกครูมีร้านอาหารนะข้าวหอมมะลิเนกแพงมากไปถึงมือเรา ถ้าเกิดจากมือชาวนาไปถึงตรงนั้นเลยเนี่ยเห็นไหมหลายหลายบริษัทนะเอาเอ่ยชื่อก็ได้แมคดาโน่ไฟชิกเก้นพิซซ่าถามว่าเท่าแก่มันอยู่ตรงไหนมันเปิดทั่วโลกเลยถ้าเราเกิดเราช่วยเกษตรกรนะเนี่ยผลผิดตานี้ไม่ต้องผ่าพ่อค้าโครงการไปถึงมือผู้บริโภคเลย เกษตรก ร, เ, กรเมืองไทยเป็นเศรษฐีหมดนั่นแหละไม่ต้องส่งออกเอาแค่ผลิตมาขายคนไทยกันเองเนี่ยนี่คือความมั่นคงแต่เราไม่มีเวลาคิดเรื่องนี้คนมีปัญหามากมายเลยปัญหาที่เรามีก็แก้ไม่พอแล้วเราจะเวลาไหนคิดที่นี่คิดเรื่องแบบนี้เนะี่ยพ่อครูก็เหมือนกันถ้าไม่มาทางสายธรรมเลพ่อครูก็ไม่มีเวลา เอาแค่เราต่อสู้เอาแค่เราจะสร้างตึกแข่งกับเขาเนี่ยเราก็ไม่มีเวลาแล้วแวจะเวลาที่ไหนมาคิดเรื่องพวกนี้พราครูกลับมาจากอเมริกามาอยู่ที่ศูนย์นั้นนะมีญาติธรรมคนหนึ่งก็เป็นคุณหมอนั่นแหละหลายปีก่อนถามพวว่อครูว่าพ่อครูไหนบอกพ่อครูหยุดแล้วไงก็ใช่ไงเห็นพ่อครูทำต้องไม่เยอะแยะเลยศูนย์จิตใจศูนย์สมองศูนย์ปากทอง คำถามตัวนี้บวกด้วยนัยยะว่าปากว่าตาขยิบหรือเปล่าจิตพ่อครูก็ตอบว่าก็ใช่ไงก็หยุดแล้วถึงทําไงเขาบอกเขาไม่เข้าใจถ้าพรอครูไม่หยุดต่อสู้เพื่อมั่งคั่งแล้วเนี่ยพ่ะครูจะเอาเวลาที่ไหนทําเพื่อให้คนอื่นถามมาตอบได้หมดแล้วหลมันเป็นของแท้ถ้าเราไม่หยุดสร้างฐานะเราเราจะ เ, าเวลาที่ไหนเนี่ยมาทําสิ่งนี้ นะหยุดแล้วถึงทำไงถ้าถามว่าทำไมต้องทำละ่ะทำไมต้องให้ละ่ะอยากรู้ใช่ไหมลองให้ดูซิรู้สึกยังไงอุย้ยมันเสียดายวะ่ะมันเจ็บวะ่ะเห็นไหมการให้ทำให้คุณเจ็บทำให้คุณเสียดายหไหมถ้าคุณถูกแย่งไปละ่ะคุณก็เจ็บไงถ้าคุณให้บ่อยๆนะเขาไปขโมยไปใช้หน่อยหนึ่งคุณจะทุกข์ไหมไม่ ก็ยึงดีไงไม่ต้องไปเดินให้เขาเขามาเอาเองเราจะทุกได้ยังไงทานเนี่ยจึงเป็นหนึ่งในสความสำคัญมันแค่ไหนถ้าเราทำสามอย่างทานศีลภาวนามันก็หนึ่งในสาะ่33ะ 33% ปซนการให้ทานนี่สำคัญมากมันจะลดทอนเรื่องอคติมันจะมีเมตตามากขึ้นนะ มันจะทำลายความกลัวมันจะทำลายความอยากนะพวกเราไม่เอาไม่มีไม่มันไม่อยากมันไม่สนุกมันไม่อร่อยบางคนถามพระครูกินข้าวหรื อ, อยังเออกินแล้วนะกินแล้วอร่อยไหมไม่รู้จะรู้ไปทำไมบางทีกินกินอยู่เออพรอครูเค็มไหมก็ไม่รู้จะรู้ไปทำไมถ้าอยากรู้ได้ไมมได้พรอครูก็ลิ้มรสมันใส่จตนาพรอครูก็รู้ถามว่ารู้แล้วยังไง ถ้าไม่อร่อยกินไม่ลงถ้าอร่อยก็กินเยอะๆจนท้องอืดก็ทุกข์อีกนั่นหละเราทำเพราะความอยากก็เป็นแบบนั้นทำไมต้องกินต้องอยากหรืไม่มันเป็นหน้าที่ที่เราต้องเติมพลังงานให้เรานะไม่ใช่อาบน้ำนี่มันร้อนถึงไปอาบมันเปื่อนถึงจะไปอาบไม่อาบเพราะอาบไม่เนื่องด้วยร้อนไม่ไม่เนื่องด้ว ย, อ, อ, วยอยากหรือไม่อยากเห็นไหม เวลานอนไม่ใช่อยากนอนกับไม่อยากนอนนะนอนเพราะมันเป็นหน้าที่เนี่ยธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะเมื่อกี้พ่อครูก็เกินไปถึงเรื่องเศรษฐกิจเศรษฐกิจพอเพียงนี่ไม่ใช่เรื่องเกษตรนะเกษตรนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งไม่มีอะไรไม่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจทุกวันนี้ทุกอย่างทุกวงการมุ่งที่เศรษฐกิจทั้งนั้นในหลวงพระองค์จึงชี้เรื่องถ้าเศรษฐกิจก็ต้องพอเพียงมีผู้กมกับคนหนึ่งมาถามพ่อครู เพราะครูถ้าทุกคนพอเพียงหมดในบ้านเมืองก็ไม่เจริญสิบอกผู้กำกับเข้าใจผิดแล้วพอเพียงไม่ได้แปลว่าพอแล้วพอใจเพียงแค่มีมีมากก็พอใจมีน้อยก็พอใจแต่ไม่ได้แปลว่าพอแล้วต้องขยันขันแข็งทำต่อไปไม่งั้นเราจะมีส่วนเกินแบ่งปันได้อย่างไรทุกคนงอมืองอเท้ารอวันตายเฉยๆหรอ แต่แค่ขยันขันแข็งก็เพียงพอดิ้นลนขวัญขวายมากไปอยู่เย็นเป็นสุขก็เพียงพอมั่งมีสีสุขมากไปนะมันโอเวอร์โหลดมันไม่ใช่ความพอดีถ้าเราอยากมั่งมีปุ๊บเนี่ยเพราะว่าโจทย์มันนี่อันนี้กว้างแล้ะเท่าไหร่จึงจะเรียกว่ามั่งมี หนึ่งล้านพอไหมสิบล้านร้อยล้านพันล้านแสนล้านโกดล้านมันไม่มีข้อจำกัดเพราะคนอื่นเขามีมากกว่าเราถ้าเราคิดแบบนั้นนะ่ะชีวิตเราจะไม่มีวันสำเร็จสำเร็จในภาษาอังกฤษมันเรียกว่า success success แปลว่า finish สำเร็จแปลว่าเสร็จแล้วมีใครบ้างสำเร็จ มิสเตอร์อะไรที่เขาอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยเขาสำเร็จหรือยังยังเขายังไม่เสร็จเราถูกตั้งโจทย์หลอกนะเราถูกตั้งโจทย์หลอกถ้าเราเข้าใจชีวิตแล้วเนี่ยเราทุกคนต้องมีอาชีพก็เลือกอาชีพที่คิดว่าเออองค์กรเนี่ยคุยกันรู้เรื่องมีความสุขนะเออมีอยู่มีกินตามอัตภาพก็ไม่เดือดร้อน แต่ถ้าเราก็เสือกกระสนไปเล่นโกรอัพเกมอันไหนมากกว่าก็คือต้องตรงนั้นพวกครูเคยถามนะครับสมมติว่าเรามีเงินเดือนหมื่นหนึ่งพอสิ้นเดือนเราเราเพจ่ายออกไปเนี่ยหมื่นสองถามว่าเหลือเท่าไหร่ครับเหลือเท่าไหร่มีเงินเดือนหมื่นหนึ่งจ่ายไป1ม0 0นสองเหลือเท่าไหร่ครับติดลบสองพันใช่ไหมครับ แต่อีกคนหนึ่งเนี่ยมีเงินเดือนเจ0ดแต่จ่ายไปห้าพันเนี่ยเหลือเท่าไหร่ระหว่างคน1มื่นหนึ่งกับคนเจ0ดพใครมั่นคงกว่ากันไม่ใช่ว่ามีตัวเลขเยอะโอ้เงินเดือนหมื0 0หนึ่งฉันมีรายได้หมื0นหนึ่งไอ้นี่นี่เข้าใจผิดแล้วเรียนเลขมาหรือเปล่าเงินเดือน1มื่นหนึ่งเป็นแค่รายรับรายรับหักรายจ่ายถึงจะเป็นรายได้ มันได้ไงมันอยู่กับเราไงอันนี้วิ่งไปหารายรับเยอะๆกลายว่าเป็นรายได้แต่ค่าจ่ายเยอะไม่มั่นคงนั่นแหละเราถูกสอนเรื่องโกรอพเกมแล้วก็ต้องไปเปลี่ยนวิธีเปลี่ยนวิถีเปลี่ยนวิถีต้องนับหนึ่งใหม่ตลอดเวลาและเมื่อไหร่ชีวิตเราภาษาอังกฤษบอกว่าเมื่อไหร่มันจะเซตตอดาว มันจะนิ่งสักทีหนึ่งพราะครูเกินไปแล้วเมื่อเช้านี้ว่าทุนนิยมแก้ปัญหาโดยต้องหาเพิ่มเขาต้องให้เราหาเพิ่มเอานี่มาหลอกเราโอ้ชีวิตต้องสู้เห็นไหมเขามีบ้านหลังใหญ่เห็นไหมเขามีรถยี่ห้อดีๆเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเพราะเขาสู้ไงเขากล้าที่จะกู้นีนฉินมาลงทุนไงเห็นไหมเราก็อยากได้เป็นเหมือนเขา คนเราตั้งแต่เกิดมาก็ไม่ไม่เหมือนกันแล้วแต่ทีนี้โอเคแก้บแบบนั้นโอ้ได้แล้วดีใจสองวันในหมู่บ้านนี้ฉันใหญ่ที่สุดพอวันใดวันหนึ่งหันหน้าไปปุ๊บไอ้ข้างบ้านสร้างใหญ่กว่าเราอีกตอนนี้ก็นอนไม่หลับแล้วชีวิตเราเป็นแบบนั้นนี่แหละคือเมื่อทุนนิยมเนี่ยเขานิยมทุนเขาทาทุกอย่างเพื่อสร้างทุน การศึกษาก็ต้องบีบว่าสร้างบุคลากรที่เป็นเครื่องมือในการสร้างทุนของเขาตอนนั้นเองเห็นไหมเขาไม่ได้ทําเพื่อชีวิตชีวิตเขาหมายถึงว่าเขาไปหลงว่าถ้าทุนเขาเยอะๆเขามีความภาคภูมิใจชีวิตเขาก็มีความสุขมีมีความดีใจอันนั้นถูกโกหกแล้วมันไม่มีวันจบสิ้นไม่มีวันสําเร็จเพราะมันไม่มีวันเสร็จแต่ถ้า เราฟังในหลวงรัชกาลที่เก้าแล้วก็มาฟังพระพุทธเจ้าเรามีสิทธิ์สำเร็จได้ทั้งในหลวงทั้งพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้เราเนี่ยลดละแก้ปัญหาโดยลดละเลิกนะเดี๋ยวแก้วทิพย์พ่อครูขออุปกรณ์หน่อยหนึ่ง อันนี้เป็นอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆ น, นะครับเอาเอาไว้ข้างหน้าเนี่ยลูกอันนี้นนเมื่อเช้านี้บอกครูก้อยวานให้ครูที่นี่ทำให้พ่อครู นะในนี้เนี่ยมีลูกดอกอาบยาพิษนะครับรู้สึกสี่ห้าดอกนะเพราะครูจับมาลูกแรกในนี้เขาเขียนว่าการพนันลูกดอกนี้เรียกว่าการพนัน ลูกที่สองนี่เรียกว่าหนี้สินไอ้ดอกนี้เขาเขียนว่าเล่า ดอกนี้บุหรี่กับยาเสพติดดอกนี้เขาเขียนว่าแฟชั่น แก่ เ, เปิดอีกขวดหนึ่งมาลูก เ, เราดิ้นรนหาเงินวิ่งไปตามเงินแล้วเราก็เทใส่เทใส่เทใส่ถามว่าชีวิตนี้มันจะเต็มไหมมันไม่มีวันเต็มได้อันนี้คือในยะอะไร พูดสั้นๆก็คือเพิ่มรายได้โดยการลดรายจ่ายอันดับแรกสิ่งที่เราทําได้เดี๋ยวนี้เลยไม่ต้องปรึกษาใครไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินไม่ต้องไปดิวกับใครไม่ต้องขอข อ, ขออนุญาตใครไม่ต้องขอร้องใครเราทําได้ทันทีเลยอุดรูรั่วนี้ซะแล้วค่อยๆเติมไปเรื่อยๆมันมีวันหนึ่งมันเต็ม แล้วเราก็วันหนึ่งกินนิดหนึ่งล้วก็หาเพิ่มไม่น้อยเราก็ไม่ต้องกระเสือกกระสนนี่คือชีวิตที่สงบเย็นแต่ตอนนี้นี่สังเกตไหมครับพ่อครูเข้าใจนะตอนพ่อครูลุยอยู่ทางโลกอย่าว่าแต่คนไม่มีอยากมีเลยคนมีร่วนฟ้าแล้วมันก็ยัง ไ, งไม่มีเศรษฐีคนรวยสักคนหนึ่งที่ทำธุรกิจหมื่นล้านแสนล้านไม่มีหนี้นะแล้วหนี้เขาเป็นยังไงรู้ไหมพวกเราเนี่ย โดยเฉพาะเกษตรกรนี่จะเข้าแหล่งแหล่งเงินกู้เนี่ยนะโอ้ยยากลำบากก็ได้อะไรเอาที่ดินทำกินก็เป็นสอปรกอรสลักหลังนะห้ามห้ามห้ามห้ามห้ามเหมือนว่าชาตินี้เธอห้ามรวยชาตินี้เธอห้ามรวยรวยปุ๊บจะเอาที่ดินคืนอะไรก็ทำไม่ได้เธอต้องทำกเกษตรอย่างเดียวเราก็รู้อยู่แล้วกเกษตรมันขาดทุนทุกอย่างเราคิดเราเรอลักเขาจริงๆเหรอ นี่มันมันทำกันแบบนี้ยังไงทีนี้คนที่รวยเลยนะเขามีเงินหมื่นล้านเขาก็จดทะเบียนบริษัทเนี่ยเข้าตลาดทุนไปลมไประดมเงินเป็นกี่แสนล้านไม่รูไม่ต้องเสียดอกเบี้ยเอาเงินคนอื่นนี่มาลงทุนแล้วตอนนี้ไปกู้เงินธนาคารแค่พูดคําเดียวเนี่ยและดอกเบี้ยมันเงินฝากเราก็ไม่มีนะ เขาเอาเงินคนอื่นเนี่ยไปซื้อทรัพย์สินทั่วไประเทศไทยตอนนี้อยู่ในมือเขาหมดเมืองนอกไม่ยอมให้ทำนะใหญ่เล็กกินเรียบอันตรายมากถ้าเกิดเขาเป็นอะไรมาเนี่ยนะบ้านเมืองเซเลยนะแต่เราปล่อยให้เขาทำแบบนี้ไงมันเป็นสังคมที่เหลื่อมลำ้ำเห็นนี่แหละครับพ่อครูรคฝาก เพิ่มรายได้โดยการลดรายจ่าย28ปีก่อนพ่อครูมาจากอเมริกาแน่นอนพ่อครูต้องไปเยี่ยมลูกน้องที่เขาจงรักภักดีกับพ่อครูสมัยเราเล่นการเมืองเขาเป็นโคศกชื่อดังตอนนั้นเราไปหาเสียงก็ต้องอาศัยโคศกเขาคิดว่าลูกพี่กลับมาแล้วเนี่ยสงสัยเลี้ยงเล่าฝรั่งพ่อครูก็เทศในฝังนะ เขาศรัทธาเพราะครูไม่ต้องพูดมากบอกให้ทำอะไรก็ทำไม่มีเหล้ากินจับเวียงเลยพอเวียงปุ๊บอาเจียนวอกแตกวอกแดนแค่สองวันตอนนี้กินเหล้าไม่ได้เขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่พ่อครูไม่อยู่เนี่ยเขาเผลอไม่ใช่มีเมียน้อยนะมีเมียมากมาเพิ่มอีกหนึ่งคนแล้วบ้านนี้ก็ลูกสามคนบ้านนี้ก็ลูกสามคนทะเลาะบอ่แวงกัน แล้วตัวเองก็เครียดพอเลิกงานปุ๊บเงินเนืนออกแทนที่จะกลับบ้านเพื่อนก็ชวนไปเที่ยวเออไปก็ดีเหมือนกันว่าไปบ้านไหนก็เบื่อเนีเวลาจะเอาเขาเนี่ยไม่เคยว่าเบื่อนะตอนนี้เริ่มเบื่อแล้ว <c oughs> พอมันกินเหล้าไม่ได้เพื่อนเรียกไาเฮ้ยปวดท้องมากไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปกลับบ้านก่อน หลังจากมาอยู่กับพ่อครูพ่อครูจับเบี่ยหมดทั้งสองบ้านตอนนี้บ้านเล็กเข้าใจบ้านใหญ่บ้านใหญ่เข้าใจบ้านเล็กโดยที่เขาไม่มีเงินเดือนเพิ่มเขาก็มีความสุขเพิ่มรายได้โดยการลดรายจ่ายเห็นไหมพ่อครูอยู่ในศูนย์ไม่ใช่ธรรมดานะโอ้มีอดีตทหารผ่านศึกขยันมากตีสองฉันก็ไม่นอนขุดดินอยู่ัรงนั้นแหละ ตื่นเช้ามาก็เอาสามรอเครื่องเอาผลผิดไปขายโอ้ยทำดิ้นรนไปหมดเลยเท่าไหร่เไม่จมามอพจ่ายนี่พอพ่อคูจัดอบรมอะไรเนี่ยเขาด่าเลยนะพรุ่งนี้จะกินอะไรก็ไม่รู้ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่รู้ว่าจะกินอะไรยังไปนั่งหลับหูหลับตาเลยเขาว่าไอ้พวกบ้ามีชาวบ้านมาบอกพ่อคูบอกไปเชิญเข้ามาหน่อย ก, กรณีพิเศษนะ พราครูพูดไม่กี่ครั้งหรอกเขาก็ยอมเหวี่ยงพอเขาเหวี่ยงเสร็จแล้วเขาถึงรู้ว่าใครบ้ากันแน่ถ้าเราเหวี่ยงแล้วจากที่เราไม่มีจะกินเราจะมีจะกินเราจะรู้ว่าเราไม่มีจะกินเพราะอะไรเราเป็นหนี้เพราะอะไรมันจะฉลาดขึ้นไม่ต้องดิ้นรนว่าจะหารายได้เพิ่มรายได้เพิ่มไม่ แค่ลดรายจ่ายเท่านั้นเองก็มีความสุขตามอัตภาพและสุขภาพก็ดีตัางหากนี่บริษัทหนึ่งอยู่ตึกอื้อชื่อเหลียงนี่พ่อคูก็อบรมหลายปีแล้วล่ะมีคนหนุ่มคนหนึ่งนี่ปัญหาเยอะแยะมากเขาก็ให้มาขอนเซากับพ่อกูพ่อกูก็ถามเหตุการณ์แกแกบอกว่ามันทํางานมันเหนื่อยเหนื่อยอะ่ะเหนื่อยแล้วก็ทําอะไรรู้ไหมก็ชวนเพื่อนไปเที่ยวต่อเที่ยวเทคเที่ยวบาร์จนถึงดึกดื่นให้มันเหนื่อยมากขึ้น แล้วเมามาเนี่ยเห็นช้างเท่ากับมดเหมือนเจ้าสัวเลยนะก็มีหนี้สินกลับไปบ้านก็ทะเลาะกับลูกเมียเราเหนื่อยเ ร, เ, อเราเบื่อเราแก้ปัญหาโดยทำให้มันเหนื่อยขึ้นก็เหนื่อยก็กลับไปบ้านก็นอนลงไปซี่ก็พักผ่อนร่างกายจิตใจนั้ น, นคือกำไรชีวิตไม่ต้องเสียสตังค์ซะหน่อยหนึ่งแต่กิเลส บ, บอกว่าไม่ มันต้องไปเที่ยวนะ่ะมันจะได้ลืมความเบื่อความเหนื่อยหน่อยหนึ่งเพราะคูผ่านมาแล้วถึงกล้าพูดนะเพราะคูเข้าใจเพราะคูไม่ได้ว่าเขาผิดเลยถ้าอย่างนี้มันผิดนะเพราะคูผิดมากกว่าเขาอีกเพราะครูก็บอกเขาว่าคนหลงทางคือคนหลงทางนะไม่ใช่คนดีหรือคนชั่วคนหลงทางก็คือคนหลงทางคนดีคนชั่วแปลว่าอะไรนะคนรู้ว่าตัวเองหลงทางยังยังดื้อร้านจะทําต่อไปหรือว่ามันผิดก็ยังไปทําอยู่เนี่ย เนี่ยคือคนคนผิดคนไม่ดีตอนนั้นเราไม่รู้พ่อคูก็ไม่รู้ไป4ี่สิปีนะเออตอนอยากมีเงินก็ทุกข์อีกแบบหนึง่งตอนมีเงินแล้วก็ทุกข์อีกแบบหนึง่งนที่เมื่อเช้าวพ่อคูเกินว่ามนุษย์เราเนี่ยเป็นสิ่งเดียวที่แสวงหาความหมายเราไม่เคยพอใจในสิ่งที่เรามีเราเป็นเลยทุกคนเคยเคยเคยเห็นไก่เคยเลี้ยงไก่ไหม เรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดานะแต่พูดอะไรให้ฟังแก้วทิพนั่งอยู่ที่นี่หรือเปล่าเมื่อสิบกว่าปีก่อนเขาเรียนจบมาหาอะไรใหม่ๆอยู่กรุงเทพเนี่ยนะอยู่ๆก็คิดที่จะไปวัดไปปฏิบัติธรรมบังเอิญอยู่ที่ชนบุรีมีวัดหนึ่งเนี่ยออพระอาจารย์มหาเนี่ยเคยไปฝึกกับพวอครูก็ส่งแก้วไปเขานั่งรถไปกับพวกครูนะเขาเห็นไก่นะ เขาล้องออกมาเลยอุ้ยทำไมไก่ยืนสองขากระพือเพีกได้พวกครูก็งง e, มันหมายความว่ายัางไงมันเกิดมาไม่เคยเห็นไก่เลยมันเห็นไก่จะเป็นเป็นข้าวมันไก่นี่เด็กๆในเมืองไงพวกครูก็เอ๊ะ e, มันหมายความว่ายัางไงมันแสดงสโลกทำอะไรหรือเปล่าเขาตกใจนะเขาตื่นเต้นทำไมไก่ยืนสองขากระพือเีกได้ด้วยมันน่าง ง, งไหม เนี่ยคนเราเอาประสบการณ์เอาความเคยชินเราเลยไปมองอะไรอะไรที่ไม่เคยพบเคยเห็นเนี่ยจิตมันกลัวมันจะต้านมันเป็นอุปท า, า น, นก็ฝากคุณครูนะว่างๆเนี่ยทุกคนก็รู้นะ่ะเศรษฐกิจพอเพียงทุกคนก็พูดพูดพูดพูดพู ด, พ ด, พดถามว่าเราทำหรื อ, อยังเราทำหรื อ, อยังตอนนี้พวกครูมีโครงการหนึ่งหลังจากมาจับปุ๊บนี่ จิตพวกครูเนี่ยมันมันไม่อยู่กับที่นะไม่ใช่มันไม่อยากนะมันไม่จมปักอยู่กับอะไรทั้งนั้นมันไม่มันไม่ได้ติดบ็อกไม่ได้อินเดอะบล็อกมันมองอะไรเป็นความเป็นจริงหมดน่ะนะเริ่มจากคนในหมู่บ้านที่ไปช่วยพ่อครูทํางานสร้างศูนย์นะต่อไปนี้งานก่อสร้างมันต้องมีวันจบสิ้นแล้วต่อไปเขาจะอยู่ยังไง พวกพวกครูใช้อุบายให้เขามีงานทำเพื่อจะไม่ต้องทิ้งลูกเมียเดี๋ยวปัญหาเดี๋ยวพ่อไปทางแม่ไปทางอ่ะนะทีนี้พวกคู้กาลังจะทำโครงการนะถ้าใครทำสวนครัวที่บ้านมีพื้นที่แค่4ี่คูณสี่เมตรไม่ต้องเยอะมันเหนื่อยตอนนี้สวนครัวไม่ค่อยมีนะตอนนี้มีแต่สวนทุเรียนสวนมะม่วงสวนผักสวนอะไรสวนใหญ่ๆเอาไปขายก่อนใครเอามาซื้อกิน คนโบราณเขามีสวนครัวสวนครัวชัาวครัวเราอยู่ตรงนี้เนี่ยข้างหลังครัวเนี่ยมีแค่ประมาณ 4,4 เมตรนะขอต้นกล้วยสักต้นหนึ่งอยู่ริมเมะละกอสักสองต้นได้ไหมเออมะนาวสักต้นหนึ่งพริกสักสองต้นมะเขือสักสองต้นแล้วผักอะไรที่เราต้องใช้ทุกวันเนี่ยแค่นั้นเองเนี่ยเมื่อเรามีซูเปอร์มาร์เก็ตในบ้านเราเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปใช้เงิน ใช้เงินมากหาเงินมากใช้เงินน้อยหาเงินน้อยไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องหาเงินใช้เงินมากหาเงินมากทุกมากหาเงินน้อยทุกน้อยไม่ต้องหาเงินไม่ต้องทุกเราไม่ได้ทำพอเพียงเราทำเพื่อขายและส่วนมาก 80% มันขายขาดทุนไงเพราะไม่คิดค่าแรงตัวเองไอเราต้องอยู่ต้องกินต้องใช้จ่ายไม่คิดซื้อปุ๋ยมาเท่าไหร่ค่าไถเท่าไหร่ขายได้เะเขาบอกเขากาไร แล้วสุดท้ายก็ชักหน้าไม่ถึงหลังแล้วบางคนนะเพราะกูอยู่ในหมู่บ้านนั้นนะยุคยุคคาท่าเขาจบไปนานแล้วแต่ตอนนี้เป็นท่าทางเศรษฐกิจไปเอาเงินเข้ามาก่อนไม่เยอะนะข้อควรหนึ่งเอามาแค่สามหมื่นบาทพอไปถึงเวลาต้องไปเก็บกาแฟให้เขาที่ที่ปากใต้อยู่หน้าผาเลยล่ะคิดเป็นกิโล นะทุกวันทำงานที่ศูนย์เนี่ยรอยเป็นช่งาง300รอยกว่าไปที่นูน่นได้ร้อยกว่าบาทแต่ไม่ไปไม่ได้เพราะเซ็นสัญญาบางคนมานั่งร้องไห้กับพกก่อครูไปหลายปีแล้วเนี่ยทุกยากก็เอาลูกเอาลานมาฝากไว้แล้วนะแล้วถามเขายังไงเขาไม่อยากไปอีกหรอกเราต้องถ่ายตัวเหมือนอะไรนะ ต้องถ่ายตัวเหมือนโบราณ น, นั่นแหละสังคมยุคนี้ยังมีแบบนี้เพราะเขาจนอยู่ดีสมัยก่อนเขาจนอยู่ดีๆเนี่ยไปไ ป, ไปพัฒนาจนเขายากจนน่าสงสารมากทุกคนก็มีต่อมความอยากอยู่แล้วแต่เราไปกระตุ้นให้มันตื่นขึ้นให้มันอยากมากๆอยากจนไปเป็นหนี้เป็นสินแล้วตอนนี้พวกเราใช้ชีวิตแบบเอาเงินอนาคตมาใช้ก่อน ชีวิตเราไม่สงบเย็นเลยเร่งเรากังวลเพราะเราไม่พอเพียงแต่คนเป็นหนี้แล้วเนี่ยพ ว, วันนั่นแหละถ้าไม่ถ้าไม่เป็นหนี้ไม่ดีนะเป็นหนี้เป็นบทเรียนคนโบราณเขาบอกไอ้ความไม่มีหนี้สินเป็นลาบันประเสริฐถามว่าลุงแดงมีหนี้ไหมหนี่หนี้สองแสน ในกระเป๋ามีเงินเท่าไร่มีเงิน5บาทเป็นหนี้แล้วหนึ่งแสอ้บาทลุงดีมีมีหนี้ไหมไม่มีในกระเป๋ามีเท่าไหร่มีห้าร้อยคนนี้รวยแล้วห้าร้อยถ้าเราไม่หาคำตอบว่าชีวิตคืออะไรแล้วเนี่ย เราจะเป็นอย่างนี้เราจะแก้ปัญหาไม่ได้เพราะเราจะวิ่งตามมันออกรุ่นใหม่ทุกวันไงหาเงินมาเพื่อรุ่นใหม่หาเงินมาก็เพื่อรุ่นใหม่แต่หลังจากพ่อครูมาทําเกษตรทฤษฎีใหม่เด็กๆที่เคยทําให้พ่อครูเมื่อ20กว่าปีก่อนเขาบอกพ่อครูทํามาหมดแล้วแต่ตอนนี้เรารู้ฟื้นใหม่ แต่ว่าไอ้ของใหม่ที่พวกคูไม่เคยทำพวกคูก็ไปจับผักไฮโดรโปรนิกแน่นอนที่อื่นน่ใช้สารเคมีทั้งนั้นแหละ9ก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แต่เาถ้าคนมีสำนึกหน่อยอาทิตย์สุดท้ายเขาก็เจือจางเอาปุ๋ยเคมีออกแล้วให้มันกินน้ำเปล่านะสามมันสุทายคือว่าเอาไปเจือจางแต่เราก็ต้องซื้อสารเคมีไงแล้วก็คนที่ไปทาอยู่นั่นบ่อย มันเลงก็จะถามหาเพราะกูก็ให้แมช่ชีเนี่ ย, ยกำลังศึกษาแล้วเก็ทำได้แล้วแต่บางทีปุ๋ยอินทรีย์แบบนี้ก็ถูกผักแบบนี้นีแบบแบบนี้นะเราจะพึ่งตนเองมากที่สุดแล้วพ่ะครูก็เอาเครื่องมือตรงนี้นมาสอนเด็กมัธยมแม่ชีมัธยมดูแลไฮโดรโปนิกดูแลเรื่องน้ำแม่ชีปฐุมดูแลเรื่องดินนะ เขาเอานี้เป็นเครื่องมือในการฝึกเขาพราะครูไปตีสี่ทุกวันพราะครูไปคุยกับผักนาน า, นานชนิดทุกวันแล้วเขาก็บอกพระครูทุกวันนะเราต้องใส่ใจเขาเราต้องเงี้ยวหูฟังเพราะเขาพูดเบามากทีนี้พระครูถามเด็กๆตอนเช้ามาเขาบอกอุย้ยมันโตไวมากเลย มันไวจริงๆนะไอ้ผักมันพูดขึ้นมาพูดขึ้นมาเลยนะเพราะครูถามเด็กว่าทำไมมันโตไวรู้ไหมก็นั่นนี่สิคะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันพราะครูบอกว่าเป็นเพราะมันไม่ได้ไปโรงเรียนเจนเนตีเพราะมันซื่อสัตย์ตั้งมั่นมากทีนี้ไอ้ระบบไฮโดรพนิกเน้น้ำมันไหลไงสัญชาตญาณเนี่ยมันกลัวว่าน้ํามันจะหนีมันจะแห้งแรงมันดูดยี่สิบชั่วโมงมันไม่หยุดเลย แต่ถ้าเราไปโรงเรียนฮลัฮโลโหลฮัลโหลเออไปโน่นนะไปนี่นะวิชาแถมเยอะมากเลยมันไม่ตั้งใจเรียนไงแต่ผักนี้มันไม่กระทำนะมันซื่อสัตย์กับหน้าที่มันมากทีนี้บางครั้งเราไปทำโต๊ะใหม่ทำอีกแบบใหม่เพราะครูสั่งปลูกผักทุกชนิดเลยโอ้ยแรกๆมันโตขึ้นมายาวที่สวยมากเลยทุกๆผักเดี๋ยวสักพักหนึ่งไอ้ผักสลัดที่ปลูกง่ายที่สุดเนี่ย มันเริ่มเฉาเริ่มงอมเลยไม่ชีมาชวนก็บรรายงานพระครูพูดถามว่าแล้วเขาบอกไม่ชี้ไหมว่ามันเป็นอะไรไม่ชีถามเขาไหมถ้าเราสักแต่ว่าทําน้ําๆๆๆเราไม่รู้หรอกแต่ถ้าเราใส่ใจมันปุ๊บเนี่ยมันจะบอกเรามันพูดเบามากพระครูไปเห็นพูดพดก็รู้เลยมันบอกว่าดูสิดูสิสปล่อยมันแช่น้ําอยู่อย่างนี้แหละรากมันเน่าไง แล้วก็มาดึงมันมันมันเป็นท่อใช่ไหมมันมีหลายหลายช่องที่เสียบเสียบเสียบทีนี้เราก็ไปดูช่องข้างหน้ามันไอไอผักที่มันมันเลื้อยไงตอนแรกๆมันก็มีพอมันเลื้อยยาวขึ้นมาลากมันยาวมากมันอุดท่อหมดเลยเห็นไหมถ้าเราใส่ใจมันเน่ยเราจะได้ยินมันพูดเพราะครูทำแบบใหม่หมดอ่ะมีแต่ชิ้นแรกของโลกทั้งนั้นแหละอยู่นั่นอ่ะคือจิตมันไม่ได้ต้องไป เรียนรู้ไปก็ปี้เขาอะนะมันรู้หลักการเข้าๆเท่านั้นเองนะเขาเขาสามารถผลิตอะไรๆเนี่ยมีรุ่นหนึ่งเขาพวกคุเรียกว่ารุ่นโดแลเมอนเอาถังเนี่ยเอาถังน้ำเราเนี่ยนะเอาสองอันมาอันนี้มาความใส่ตัวนี้แล้วก็เจาะรูเจาะรูเจาะรูปลูกผักเห็นไหมข้างในก็มีระบบน้ำาสปริงเกอร์ มันโตไวมากตื่นเช้ามันก็ยิ้มให้พ่อครูมันสดชื่นมากเลยเห็นไหมถ้าเราใส่ใจเนี่ยเราจะได้ยินเสียงมันพูดมันบอกว่าอย่างนี้ฉันชอบชอบอย่างนี้ฉันไม่ชอบไม่ชอบเลยนะเด็กๆต้องคิดเป็นพูดเป็นทาเป็นแต่ก่อนที่เขาจะพูดเป็นเนี่ยเขาต้องแตกฉานในสิ่งที่เขาทาก่อนมีเด็กชั้นปสาม เด็กผู้ชายวันหนึ่งเขาเห็นไก่มันไข่ทิ้งไว้อาจจะเป็นไก่ป่าก็ได้หรือว่าแม่มันทิ้งเขาก็เก็บไปฟักให้ความอบอุ่นมันเขาฟักไข่เป็นตัวไก่เป็นตัวนะทีนี้เขาก็ไปหาไอ้ปวกอะไรอะไรเนี่ยมาให้มันกินทีนี้มีคนมารายงานพวกกูก็เรียกมาเด็กมันนอกพูดไทยก็ไม่ชัดนะนะ เด็กอีสานนี่เสียเปรียบนะเขาเรียนภาษาไทยนี่เหมือนเขาเรียนภาษาเยอรมันเลยนะเหมือนเขาเรียนภาษาต่างประเทศเลยนะพู้ครูถามว่าลูกเห็นบอกไปจับไปเอาไปขโมยไข่ไก่มาแล้วไม่ใช่ครับผู้ครูรอมันตั้งหลายวันแล้วไม่รู้แม่มันหายไปไหนผมก็เลยเอาไปฟักฟักยังไงมันก็บอกมันพูดปกติมันพูดไทยไม่ชัดนะ่แต่ตรงนี้มันผ่านมือมันเลยล่ะ มันไม่ต้องจำมาพูดนะมันตอบได้หมดเลยทุกขบวนการมันพูดเป็นแล้วเพราะมันทำเป็นแล้วไง learning by doing เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงนะเดี๋ยวกเกษตรทฤษฎีใหม่นะมีมีหลากหลายมากนะที่บอกพวกครูทำโครงการใหม่เนี่ยพวกครูจะแจกกระชังบก กระชังบกกว้างเม็ดสี่ิคูณเม็ดสี่อันนี้ให้เขาทํามาไอตัวหนึ่งประมาณพันบาทสั่งมาจากกรุงเทพแล้วเราจะทําโครงเหล็กให้มันแขวนไว้เราก็ใส่น้ําแล้วเขาข้างบนทําอีกชั้นหนึ่งแล้วก็จะแถมไก่ไข่ไปสี่ตัวด้วยนะแต่เขาต้องทําสวนครัวให้พ่อครู4ี่ณสเม็ดในบ้านเขานะแล้วก็เขาเลี้ยงไก่ทีนี้ไก่มันมีคุณธรรมมากนะ มันกลัวเป็นหนี่เราแล้วเลี้ยงมันปุ๊บมันก็ออกไข่ทดแทนหนี้แล้วมันแถมดอกเบี้ยมาด้วยมันขี้ลงไปข้างล่างก็เป็นปลาดุกปลาดุกก็กินขี้ขี้ไก่แล้วก็ขี้ปลาดุกแล้วก็ปล่อยไปเลี้ยงสวนครัวนั้นแล้วก็ในครอบครัวหนึ่งก็มีโปรตีนกินไข่ทุกวันไม่ใช่แก้ปัญหาเศรษฐกิจในครอบครัวอย่างเดียวเนี่ยแก้ปัญหา สุขภาพด้วยแก้ปัญหาหนี้สินด้วยนะไอ้ที่เป็นหนี้หนี้เพราะว่าเป็นหนี้ก็เป็นหนี้แล้วรู้ว่าเป็นหนี้ดีไหมไม่ดีไม่ดีครับแล้วต่อไปจะเป็นอย่างไรไม่แน่ถ้าให้กู้ก็เอาอีกบางทีกู้มาก็ไม่รู้จะทาอะไรเพราะทําไม่เป็นรู้ว่ากู้กูกู้มาก่อนเนี่ยตอนนี้เราปล่อยให้สังคมเป็นแบบนี้นะก็โครงการนี้กําลังจะเกิดขึ้น เราก็ทำเป็นแบบอย่างให้เขาเห็นนะไอ้ไอ้ไอ้กระชังบวกตรงนี้เนี่ยไก่สี่ตัวเนี่ยเม่ชีที่อายุน้อยที่สุดคือพี่ฟ้านี่อายุห้าขวบเป็นคนดูแลเรื่องนี้ถ้าขี้เกียจไม่มีเวลาเดี๋ยวจะแถมนาฬิกาไปอีกอันนึงไปใส่ในท่อนะตั้งเวลาเลยตีห้าลดน้ำสามนาทีห้าบกยนลบสามนาทีแล้วเราไปทำงานอย่างอื่นได้พอแม่บ้านจะทาอาหารปุ๊บ ก, ก็ไปจับจั บ, จ, บจับมามีอาหาร เพราะกูไปสืบดูแล้วชาวบ้านบ้านถ้าคร อ, อบครบครัวึ่งมีสามปากเมื่อกรอกี่ต้นต้นเดียวก็เหลือเฟือแล้วเพราะเรากินวันละลูกสองลูกนะบอกไม่เอาเอาสองต้นเผื่อมีเหลือเอาไปทำบุญที่วัดด้วยเราต้องถอยกลับมาดูแลตัวเองแล้วโดยเฉพาะชีวิตในเมืองนะไม่ใช่เรื่องเกษตรอย่างเดียวทุกสาขาอาชีพต้องพอเพียงแล้วเราจะเป็นเศรษฐีทันทีเลยไม่ต้องรอให้เรารวย มีพริกหรือเปล่าเออนี่ๆไปเด็ดเอาเลยนะพอเราไปบ้านเขามีมะนาวเออเอาเลยนะเนี่ยเราเป็นเศรษฐีทุกวันเลยแต่ทุกวันนี้ให้ได้ไหมไม่ได้เริ่มแล้วนะชุมชนเริ่มแล้วเพราะว่าสมัยก่อนฉันให้เธอเธอให้ฉันตอนนี้มองไปปึ๊บมันมีมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ฉันก็ไปซื้อรุ่นใหม่สักพักหนึ่งดีใจไม่กี่วันปึ๊บมันมีรถกระบะรุ่นใหม่ตอนนี้แรงน้าใจกับไปหมด ยี่สิบกว่าปีก่อนพ่อครูทำกเกษตรเพื่อชีวิตแค่ไม่กี่ปีนะสามสี่ปีได้ดังไปทั่วประเทศหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่เข้าไปสัมภาษณ์โทรทัศน์หลายช่องไปถ่ายทำคนมาดูงานมาดูงานจริงๆมะม่วงออกมาเนี่ยยังไม่โตเลยก็เด็ดๆไปหมดเลยมาดูงานหน่วยงานก็พามาช้ายก็ประมาณให้มันหมดตอนนั้นขึ้นเป็นอย่างนั้นแต่ตอนนี้ไม่ใช่ ไม่ใช่เหมือนเก่าเร็วๆนี้เนี่ยหน่วยงานเขาเอาสารอคนมาดูงานส0 0รอกว่าคนรถกระบะเต็มศูนย์เลยแต่อารมณ์เขาเปลี่ยนทุกคนทุกมากตอนนี้อารมณ์เขาไม่ไม่เหมือนเก่าเพราะพยายามสนใจมากจะหาวิธีแก้ปัญหาเขานี่คือบา ร, รมีในหลวงเรานะพ่อครูก็มาต่อยอดและที่นี่เรื่องของเรื่องศูนย์เราเนี่ย มันโตยอย่างก้าวกระโดดเหมือนกันตอนนี้เราทำอาหาร อ, าอยู่ในนั้นนะ่ะเชลียวันหนึ่งเลี้ยงคนพันคนไอ้ศูนย์ปากท้องที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยมันไม่สมดุลยังต้องเอาเงินไปซื้อผักซื้ออะไรกับพ่อค้าซึ่งไม่ใช่เกษตรกรแล้วเราก็ควบคุมคุณภาพไม่ได้ด้วยนะทีนี้พ่อครูไม่ต้องเราไม่ต้องหาตลาดก็บอกเด็กๆนะเด็กที่น่นมีสานึก พวกครูไม่กลัวคนเยอะคนหนึ่งเข้ามาพุ๊ก็เอาปากมาด้วยตรงเราต้องมีปากปากมีประโยชน์มากถ้าไม่มีปากเราตายเลยนะก็ต้องมากินอาหารมาเสริมกับพลังเราไงแล้วต้องมาพูดในสิ่งดีๆนะแต่ถ้าไม่พูดในสิ่งไม่ดีเนี่ยกลายเป็นพิษที่เขาบอกว่าเชื้อโรคเข้าทางปากออกทางปากนั่นแหละถ้าพูดดีเป็นสีแก่ตัวเข้อก๊าซเราถ้าเป็นด่าเขาในดีดมีเขาชกเอาเน่ยเชื้อโรคมันออกไปทางนั้น แล้วว่ากินอย่างไม่บรรยะบันยังเอาแค่อร่อยเป็นหลักนี่นะครูโก้ของเราเป็นผู้บริหารโรงเรียนนะสมัยก่อนก็เป็นเด็กกับโปโลพวกครูก็จับมาทำกเกษตรเพื่อชีวิตอะไรรแล้วดูแล้วเนี่ยในยุค น, น, นั้นมันเป็นอะไรล่ะพวกครูก็เลยตักเปิดโรงเรียนพวกนี้ก็เรียนกศนอตอนนี้เป็นครูหมดสมัยก่อนเนี่ยพอเผลอปุ๊บพวกเขาไปนั่งเล่นไพ่กันอยู่ ต้นมะม่วงพวกครูเดินไปเขาจะวิ่งหนีบอกไม่หนีไม่ต้องหนีลูกไม่ลูกไม่ไม่ต้องหนีมาพวกครูคุยหน่อยหนึ่งเขาก็เล่าให้ฟังว่าอยู่ที่นี่ไม่อิสระเหมือนไก่อยู่ในซุ้มละ่ะถูกขังไว้ทําอะไรก็ไม่ได้ <c oughs> เขาพูดมีเหตุผลนะนะพวกครูก็ถามเขาว่ า, วาเพื่อนเขาที่มาทํางานกรุงเทพเนี่ยกลับไปบ้านมีใครเหลือเงินไปบ้างบางทีต้องโทรศัพท์ขอเงินค่ารถกลับไป เขาบอกว่าอย่างน้นอยๆมากรุงเทพทำงานเสาทิย์ก็ไปดูอะไรเขาแสดงอะไรฟรีไงคอนเสิร์ตอะไรพวกนี้นะนะทีนี้พ่อ ก, กูก็ถามเขามีไก่สองตัวตัวหนึ่งอยู่ในซุ้มอีกตัวหนึ่งอิสระเสรีมากถามว่ามีเสือตัวหนึ่งวิ่งมาเนี่ยตัวไหนตายก่อนตัวอยู่ข้างนอกตายก่อน ซุ้มตรงนี้นี่ไม่ได้ห้องขังมันคือภูมิคุ้มกันสินคือภูมิคุ้มกันภัยเราแล้วหลายๆคนที่พระครู ด, ดึงมาเป็นครอบครัวใหญ่เนี่ยทำตรงนี้แล้วก็ตอนนี้เป็นคูกันหมดน่ยตอนนี้เขาเป็นเขาเป็นเสรีไทยแต่คนที่หนีกลางคันมาที่นี่ไม่แล้วไปเนี่ยครอบครัวหนึ่งก็ไปติดเอท ครอบครัวหนึ่งก็ไปติดเหล้าติดยาเสพติดติดคุกติดตารางไงถามว่าเราเรามีหนี้สินเนี่ยเราอิสระไหมเราเสรีจริจรงไหมอันนี้แหละเราติดบ่วงเศรษฐกิจนะเมื่อกี้เขาเตือนพ่อครูว่าเวลาจำกัดในช่วงนี้ก็ขอเบรตรงนี้ก่อน เดี๋ยวช่วงหน้าอาจจะมีเวลาก็ถามคำถามนะครับขอให้คุณครูพักสักสิบนาที